ขอโมร น, นากับญาติโยมทั้งหลายตั้งใจฟังพระธรรมในวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยจะพูดในเรื่องของปัญญาบารามีที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงบมเพ็ญมาตอนเช้าพูดในลักษณะของปัญญาว่าปัญญานั้นเป็นลักษณะในการแทงตลอดอริยสัจธรรมทั้ง4ตามความเป็นจริงทีนี้ลักษณะของปัญญานั้นก็ต้องดังที่ได้กล่าวก็คือแทงตลอดสัจจะ แทงตลอดทุกแทงตลอดทุกขสมุ ท, ทยัยแทงตลอดทุกขนิโรธแทงตลอดทุกขะนิโรธคามีบริวทายไหม น, นั้นก็คือหลักการเลยดูลักษณะของปัญญาที่บอกว่ารู้สภาวะลักษณะและสามัญลักษณะของปรมัตธรรม ต, มตามความเป็นจริงได้แยกแยะให้ดูแล้วว่าลักษณะของการรู้สภาวะลักษณะก็คือรู้ลักษณะของผัสสะเป็นยังไงเวท ภาษาธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์เนี่ยนะลักษณะเข้าไปรู้ลักษณะแต่ละอย่างแต่ละอย่างของสภาวธรรมและสามารถที่จะยกสภาวะธรรมเหล่านั้นขึ้นสู่ไตรลักษณ์ในความเป็นของไมเที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันนี้คือว่าด้วยหลักการของขอ ง, ของสภาวะของปัญญาเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพธรรมที่รู้แจ้งต่อปร ม, ธธรมัตธรรมตามความเป็นจริง ดุดนักแม่นธนูยิงตรงเป้านักแม่นธูเนี่ยเขาจะยิงตรงเป้ามากฉะนั้นปัญญาจึงแทงตลอดสัจจะตามความเป็นจริงไม่วิปริตฉะนั้นลักษณะของปัญญาต้องไม่วิปริตนั้นในช่วงนี้จะยกตัวอย่างประกอบเพราะถ้าหากว่าสบายอธิบายสภาวธรรมเลยเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นว่าเออเวลาเจาะลึกสภาวธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ไปเนี่ยมองก็ไม่ค่อยชัดใช่ไหม ก็เลยจะยกเรื่องราวประกอบให้เห็นเป็นแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปว่าเออเนี่ลักษณะปัญญาเป็นไปในลักษณะของการแทงตลอดอย่างนี้กิจของปัญญาก็คือว่าส่องความจริงของปรมัตถธรรมให้สว่างเจิดจ้าดุดประทีปเหมือนกระดวงประทีปนีทำที่มืดให้สว่างเจิดจ้าขึ้นอย่างนั้นถ้ามองถึงอุปปัฏฐานะการาปรจุปฐานะ คำว่าอุปทานนะการอุปยุปทานะนี่เป็นศัพท์ที่ท่านใช้กันก็คือเป็นสภาพที่เป็นอาการของปัญญานะีสภาพที่ไม่หลงต่ออารมณ์นีไม่หลงต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นเช่นถ้าไปเกี่ยวข้องกับรูปหรือกับสีกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสเนี่ยหรือกับธรรมอารมณ์เนี่ย ก็ไม่เข้าใจผิดต่ออารมณ์นั้ น, นยกตัวอย่างนะเวลาเราเห็นถ้าคนตะไมก่อนเนี่ยบกว่าถ้าเห็นคนต่างวันาเนี่ยถ้าคนที่อินเดียเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาไปเห็นคนจันทานเนี่ยเขาถือว่าเมื่อวันนี้เขาสิ่งอระมงคลเกิดขึ้นในในใ น, ในใจเขามากอย่างนี้เขาเรียกวิปลิตต่ออารมณ์ เพราะเขาเห็นไม่ตรงตามความจริงสิ่งที่เขาเห็นไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะเช่นวันนี้เราเราไปหนะ้าที่ตรงไหนแล้วเราได้ยินแต่เสียงด่าเสียงด่าที่เราได้ยินเนี่ยนะที่เราได้รับรู้หรือได้ยินเนี่ยเสียงด่านั้นนะ่ถ้าหากบุคคลที่มัวเมาลุ่มหลงในลงก็จะวิปริตมนศิการในเสียงด่าทมว่าวิปริตมนุษการในเสียงด่าก็คือไปโกรธไปไม่พอใจไปเกิดความขัดเคืองในเสียงที่ด่านั้น ฉะนั้นความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจในเสียงด่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการไม่ฉลาดในอารมณ์นั้นเพราะอารมณ์ที่ปรากฏเกิดขึ้นในที่ตนเองได้ยินเสียงด่าเสียงสาบแช่งเสียงไม่ดีทั้งหลายมันมาจากอากุศลลกรรมที่เคยทําไว้ฉะนั้นอกุศลกรรมที่ทําไว้ในอดีตก็ทําให้ได้รับผลในปัจจุบันในปัจจุบันนภพเราก็เลยรับเสียงที่ไม่ดีใช่ไหม การได้รับหรือไ ด, ไ, ดได้รับเสียงที่ไม่ดีได้ยินเสียงที่ไม่ดีเนี่ยมันมาจากอดีตเหตุปัจจุบันลนลำผลเสียงที่ไม่ดีมันปรากฏเกิดขึ้นถ้าบุคคลที่มีโยนิสโสมนัสการฉลาดคิดต่ออารมณ์นั้นก็คือวางจิตเป็นว่าผลที่ปรากฏเกิดขึ้นมานี้มันมาจากอดีตกรรมพอเข้าใจเหตุและผลอย่างนี้ชัดเจนก็มนัิการเกิดความสะดุ้งสะเทือนว่าอากุศลกรรมเก่าวคือกรรมชั่วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยทีนี้วันนี้เราได้ยิน แล้วเนี่ยนะบางวันนี้เราได้เห็นด้วยเราได้ยินด้วยและเราได้กลิ่นได้ลิ้มรส ด, ด้วยเป็นต้นถ้าถามว่าก็ในขณะที่เราเป็นมนุษย์เรายังเจอสภาพสิ่งแวดล้อมที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้ถ้าหากอากุศลกรรมเหล่านี้มันให้ผลโดยตรงเช่นอันนี้มันให้ผลในประวัติการยังเจ็บปวดถึงปานนี้ถ้ามันให้ผลในปฏิสนธิการขึ้นนําเกิดเลยจะเจ็บปวดสักปนานใดเนาะแลเนี่ยอันนี้คือเข้าใจ ผลเข้าใจเหตุและก็เข้าใจเหตุในปัจจุบันที่จะนํากระแสชีวิตของตนเองได้รับผลในการสืบไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาในอารมณ์ก็คือไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งใช่ไหมล่ะหลายหลายคนเนี่ยยอมรับสถานภาพที่ตนเองได้รับไม่ได้ยอมรับไม่ได้เช่นบางคนป่วยเป็นโรคมะเร็งเนะโอ้โหเครียดมาก หรือป่วยเป็นโรคไตเอยโรคตับเอ่ยโรคปอดเอยโรคความดันโลหิตสูงสรพัดเนี่ยนะสภาพต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นในกระแสชีวิตนี้แปลว่าตนเองได้เห็นด้วยได้ยินด้วยได้กลิ่นได้ได้ลิ้มรสได้สัมผัสโดยเฉพาะคือว่ามันอยู่กับกระแสชีวิตจริงๆแล้วตัวนี้ถามว่าเมื่อมันมาอย่างนี้เราจะจะตั้งท่าทีทางใจยังไง ถามว่ายอมรับแบบจำนนหรือ ย, ยอมรับแบบประเภทที่ว่าเรียนรู้อยู่กับเขาด้วยและในขณะเดียวกันก็เร่งในการที่จะเจริญกุศลให้เห็นโทษของสังสารวัตรว่ามันเป็นไปกับความเจ็บปวดยังไงการที่ไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างนี้ก็เรียกเป็นสภาพของปัญญาที่เข้าไปฉลาดคิดในอารมณ์นั้นๆเห็นไหมว่าปัญญาเนี่ยนอกจากไม่สามารถที่จะเดินหนีมันได้ยังตั้งท่าทียอมรับมันได้ด้วย แต่ไม่ยอมจำนนโดยการที่งอมืองอเท้าถ้าคนที่ขาดปัญญาก็คือยอมจำน้นแล้วก็งอมืองอเท้าแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ยอมทนทุกข์ทรมานก็จริงแต่ในขณะเดียวกันตนเองก็อยู่กับความเจ็บปวดอยู่กับความทุกข์อยู่กับความเครียดอยู่กับความวิตกกังวลอยู่กับความเศร้าหมองอยู่กับความหงอยเหงาเศร้าหมองต่างๆอันนี้ก็ปล่อยให้บาปนั้ประชุมในใจนั้นคือความไม่เข้าใจเหตุและผลก็คือการไม่ฉลาดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง นี่คือสภาพปัญญามันไม่เกิดจริงฉะนั้นถ้าสภาพปัญญาที่เกิดจริงเนี่ยเห็นไหมว่าสิ่งแวดล้อมแต่ละวันแต่ละวันที่เราได้เจอได้พบได้เห็นได้สัมผัสและได้รู้กับมันเนี่ยอันนั้นเป็นผลบุญและผลบาปทุกๆระยะแต่ถามว่าอารมณ์เหล่านั้นเราฉลาดกับมันหรือไม่เรารอบรู้มันไหมเราตั้งท่าทียังไงแล้วเมื่อประสบกับอารมณ์นั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ปัญญาในการที่จะเดินหรือจะทําความเข้าใจวิจัยแล้วก็ตั้งรับมันยังไงแล้วก็ ตั้งหลักตั้งอัตยาศัยในการที่จะเดินออกากียวันยังไงไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะเข้าไปรอบรู้ไปแทงตลอดใช่ไหมฉะนั้นผลปัจจุบัานะคือสภาพธรรมที่ทำให้ผลคือความปราศจากความหลงเกิดขึ้นก็หมายความบอกว่าถ้าผลปรากฏเนี่ยถ้าอาการปรากฏกับผลปรากฏเนี่มันต่างกันเลยนะปฏิอุปานะการะปัจจุบันนะเขาแปลว่าอาการปรากฏ อาการปรากฏในยานปัญญาของท่านผู้รู้ทั้งหลายนะั่นเรียกอาการปรากฏแต่ถ้าผลปรากฏเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราโดนชมโดนด่าเนะเสียงที่ด่าเสียงที่ชมเนี่ยผลมันปรากฏมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผลบุญผลบาปยังไงมันมาจากเขตยังไงก็ไม่ทราบอย่างนี้ผลมันก็ปรากฏของมันเป็นปกติแต่อาการเหล่านั้นไม่ปรากฏในยานปัญญาของเรา อันนั้นเขาเรียกว่าไม่เห็นอุปทานาประยุปอุปทานาการปัจจุปฐานนะไม่เห็นอาการปรากฏถามว่าอะไรหนอที่จะเข้าไปเห็นอาการปรากฏอย่างนี้ได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละที่จะเข้าไปแทงตลอดไปส่องแสงสว่างไปทําความมืดหหายไปทําความเจิดจ้าในใจใเกิดขึ้นว่าอ๋อสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันปรากฏเกิดขึ้นมานี่มันเป็นผลปรากฏเหล่านี้อาการที่มันปรากฏอย่างนี้เพราะมันมาจาก เหตอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นผลบางอย่างมาจากปาณาตีบาตคือการฆ่าผลปรากฏบางอย่างนีกรรมอกุโสลกรรมบางอย่างมาจากการฆ่าก็ปรากฏให้เห็นผลบางอย่างมาจากการลักทรัพย์ผลบางอย่างมาจากการประพฤติผิดในกรรมผลบางอย่างมาจากการพูดเท็จบางอย่างมาจากการพูดส่อเสียดมาจากการพูดคำหยาบมาจากการพูดเพื่อเจริบางอย่างมาจากความโลภบางอย่างมาจากความโกรธบางอย่างมาจากความเข็นผิด อกุศลกรรมอกุศลกรรมทุจริตทั้งหลายเหล่านี้มันก็มีวิบากมีผลของมันถ้าญาณปัญญาเข้าไปรูป้ปุ๊บก็เห็นเห็นผลส า, าหเหตุเข้าใจไหมนี่ก็อาการปรากฏในญาณปรราัญญาแต่หลายท่านเนี่ยผลปรากฏแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันปรากฏใช่ไหมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องเจอแบบนี้ทําไมเนาะชีวิตเราต้องเจออย่างนี้ทําไมคนอื่นไม่เจอก็ว่ากันไปอันนั้นลักษณะอย่างนั้นคือ ญาณ น, นี้เชื่อปัญญาเพราะสามารถรู้สัจจะทั้ง4ประการเห็นไหมบอกถ้าผลปรากฏเนี่ยมันตรงกันข้ามกับโมหะคือความลุ่มหลงอุปมาเหมือนกับมักูเทศผู้ชํานาญทางป่าฉะนั้นปัญญาสามารถรู้สัจธรรมคือรู้ทุกขสัจจะตามความเป็นจริงด้วยรู้สมุทัยสัจจะเขียดให้เกิดทุก์ตามความเป็นจริงรู้นิโรธาสัจจะก็คือรู้พระนิพพานตามความเป็นจริงแล้วก็รู้มรรคสัจจะ รู้ปฏิปทารู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นจริงเป็นต้นด้วยถาว่ารู้นิพพานเนี่ยเขารู้ยังไงถามว่าการจะน้อมใจไปในพระนิพพานเนี่ยเขาน้อมอยังไงเขาน้อมว่าเมื่อเห็นความเกิดเราเห็นว่ามันเป็นชาติที่ทุกข์ใช่ไมแต่พระนิพพานนั้นเป็นสภาพที่พ้นจากความเกิด ดีจริงเนอสักวันหนึ่งเราจะพ้นจากการเกิดให้ได้การน้อมไปในรักนี้ก็เรียกว่าจิตมันโอนไปมันน้อมไปแล้วมันโอนไปในพระนิพพานเนืเห็นความแก่ความแก่มันเป็นทุกข์แต่พระนิพพานเป็นสภาพที่พ้นจากความแก่ความเจ็บไข้เนี่ยมันเป็นทุกข์แต่สภาพพระนิพพานพ้นจากความเจ็บไข้ความตายนี่เป็นทุกข์เป็นวัตถทุกข์แต่สภาพที่พ้นจากความตายเป็นพระนิพพาน ความโศกเป็นภัยเป็นวัฏทุกขสภาพที่พ้นจากความโศกเป็นสภาพที่พ้นจากภัยคือพระนิพพานความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายก็เป็นทุกข์ความร่ําไรลําพันธ์ก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจก็เป็นเป็นทุกข์สภาพที่พ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นพระนิพพานใช่ไหมความพลัดพากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ สภาพที่ไม่ไม่พัดพลาดสภาพที่ไม่ต้องไปพัดพลาดจากของรักของชอบใจอีกแล้วก็แปลว่าสภาพที่ไม่มีกระแสของวัตตะที่มาหมุนในสังสารวัฏอีกแล้วจึงสภาพที่ไม่มีความผิดหวังในที่ไหนๆนั่นแหละคือสภาพของพระนิพพานโอ้นิพพานดีจริงหนาะใจกันนาะไปใน พ, นพระนิพพานลักษณะอย่างนี้นะนิพพานนั้นท่านให้ตั้งอัธยาศัยว่าน่ายินดีน่าบันเทิงใจน่าลื่นโลมใจ เพราะมันพ้นจากวัฏทุกข์แต่สิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเจอทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปกับวัฏทุกใช่ไหมปัญญาสามารถรู้แจ้งสภาวะธรรมด้วยรู้อนิจจคือไม่เที่ยง ร, รู้ความทุกข์คือสภาพที่ถูกทันทะคือความเกิดและความดับเบียดเบียมบีบขั้นอยู่ตลอดเวลาเข้าไปเห็นความเป็นจริงของอณาตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราเป็นต้นเราเนี่ยปัญญาเป็นอินทรีย์ด้วยนะเพราะเป็นใหญ่ เนื่องจากอะไรครอบงำเอาวิชาคือความไม่รู้ด้วยใช่ไหมเพราะอาวิชาเนี่ยปิดบังทําให้ไม่รู้สัจจะตามความเป็นจริงทั้ง4ประการใช่ไหมทีนี้เขาจึงเรียกว่าปัญญาเนี่ยจึงเป็นอินทรีย์คือเป็นปัญญินทรีย์มันเป็นใหญ่คือครอบงำความมัวเมาลุ่มหลงก็คือครอบงำเอาวิชาได้อีกในหนึ่งในอินทรีย์ In ria, เพราะสามารถให้ทําที่เกิดพร้อมกับตนให้รู้ว่าตนคือผู้เป็นใหญ่ ในลักษณะที่รู้เห็นสัจจะสีใช่ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นบอกว่าเวลากลางคืนเนี่ยภายในบ้านที่มีฝาผนังกั้นทั้งสี่ด้านมันก็มืดแต่ถ้าจุดดวงประทีบความมืดมิดที่สามารถทำให้ดวงตาปกปิดหรือความมืดมิดเนี่ยก็หายไปทันทีปัญญาก็ดุจดังปทีบนั้นแหละมีลักษณะสองสว่างเห็นปรมัตตธรรมตามความเป็นจริงใช่ ทีนี้ถ้าเรามองดูในชั้นของคำสอนจะเห็นอะไรรู้ไหมจะเห็นลักษณะของปัญญาสมัยหนึ่งพระบรมศ า, ศาสดาประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันก็ปารบปัญญาบารมีของพระพุทธเจ้าบอกว่าตรัสพระธรรมวเทศนาว่ากุพระเจ้ากุงปัญจาร ะ, สะเสด็จยาตราทับมาพร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่าเป็นต้นความย่อก็มีบอกว่าภิกษุทั้งหลายประชุมกันในธรรมสภา ต้องการที่จะสรรเสริญปัญญาบารมีของพระตถาคตของพระผู้มีพระเจ้าว่าเมื่อนั่งสนทนากาันเบ็ดเสร็จก็ได้สรรสรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าในทั้งด้านของพระปัญญาคุณสรรเสริญพระสัพพัญยตยานอนาวรณญาญอินทรียาปรโรปรยรติยานมหากรุณาสมาปฏิยานยมกกะปฏิหาริยานอินทรียาปรปรปยติยานอาสยานุส ย, ยานเป็นต้น บอกเอาโสทั้งหลายพระตถาคตมีปัญญาใหญ่มากเขาเรียกว่ามหาปัญญาปัญญามากปัญญามากจริงๆเนะปัญญากว้างใหญ่ไพศาลมากมีปัญญาแบบกว้างขวางมีปัญญาล่าเริงหาสะปัญญาด้วยเนะปัญญาร่าเริงมากเป็นไปกับสมณะล่าเริงมากมีปัญญาลึกซึ้งสามารถเจาะทะลุทะลวงได้อย่างลึกซึ้งเลยบอกมีปัญญาดุจแผ่นดิน หนาเดือดดังแผ่นดินนกว้างใหญ่ไพศาลมากมีปัญญาเฉียบแหลมแล้วก็มีปัญญาว่องไวก็แบบชวนะปัญญาเนี่ยมีปัญญาว่องไวมีปัญญาเฉียบคมมากแทงตลอดทะลุทะลวงได้ทุกอย่างทุกๆอนูนีสังสารวัตมีเท่าไหร่ปัญญาสามารถเจาะทะลุดทะลวงได้หมดกระแสะขันมีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมโลกธาตุมีเท่าไหร่ปัญญาของพุทธิยามีเท่านั้นอโลกธาตุเนี่ยมีในส่วนของสังขารและโลกใช่ไหม สัตวโลกและก็โอกาสโลกเอาสิโอกาสโลกมีเท่าไหร่นะยานปัญญาของพระบรมศาสดาสามารถเจาะทะลุทะลวงทุกขสัจจะเหล่านั้นได้หมดเลยสังขารลโลกที่เป็นไปในส่วนของรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณขันเนี่ยโอ้โหรู้ทะลุทะล ว, วงหมดสัตว์โลกที่มีชื่ อ, อย่างไรมีโคตรอย่างไรมีตระกูลอย่างไรเนี่ยนะเป็นไปอย่างไรในสังสารวัฏอย่างไรเนี่ย นั่นสัตโลกเหล่านั้นก็ปรากฏในยานปัญญาของพระบรมศา ส, สดาแม้ทั้งสิ้นทํานองอย่างนี้ก็คือว่าย่ํายีเสียซึ่งวาทาของคนเหล่าอื่นทรงทรมานพราหมณ์นืไม่ว่าจะกรูตะทันตพรามเมยโสนะทันตพราหม์เป็นต้นเหล่านี้นเลยใช่ไหมเมื่อมาเจอพระบรมศา ส, สดาเว็เส็จเนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็แม้ประดุดดังหิ่งห้อยเลยกับแสงอาทิตย์เลยจังทั้งที่บุคคลเหล่านี้ไม่ธรรมไม่ธรรมดาเนะ กแต่ธันทพรามเอยโสนทันทพรามเม๋ยใช่ไหมจังกีพรามเอ๋ยปกคราสติพรามเม๋ยเนี่ยบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่ไม่ปัญญาว่องไวทั้งนั้นเลยมีแต่คนสารเส ร, ริญเหมือนอย่างท่านโสนทันทะพามเนี่ยนะขนาดว่าชาวเมืองชาวนครเวลาจะไอจะจามเนี่ยขอถึงท่านโสนทันทพรามเลยนะีขนาดนั้นเลยเนะขนาดไอจามอะไรต่างๆยังร้องเรียกเลยว่างั้นแต่มาเจอพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคนะแค่นั้นละเรียบร้อยหมดเลย ฉะนั้นด้านปัญญาเนี่ยมีใครเกินพระพุทธเจ้านี่นั้นจำยีวาธาแห่งวาธาเหล่าอื่นทรมานเหล่าพามีกูฏะธันตพามเป็นต้นด้วยแม้ปริภาชคนะไม่ว่าเป็นสัพพยะปริภาชกเป็นต้นเนี่ยกุมพาชกปริภาชกทั้งหลายยักษ์ก็ก็แพอาละะาวกยาักษ์นี่ไหมที่เราสวดกันในบทภาหูเทวดามีเท้าสกาัดเทวราชเอ่ยพวกมารพรมทั้งหลายเลยเนี้เท้าประกาศพรมอย่างเงี้ยระดับจรก็คือมีจนองอ ง, องคุริมานเป็นต้นเหล่านี้ ด้วยปัญญาอนุภาพของพระบรมศาสดาทำให้บุคคลเหล่านี้สิ้นประโยชน์ใช่ไหมสิ้นประโยชน์พระองค์ทรงทรมานชนเป็นอันมากประทานวันประชาให้ตั้งอยู่ในมรรคผลสรุปแล้วก็คือว่าใครๆที่ถือว่าแน่ทั้งด้านปัญญาเนี่ยมาเจอพระบรมศาสดาก็กลายเป็นเป็นโดนทรมานหมดเลยขนาดว่าบุคคลที่มีฤทธิ์มากที่สุดเนี่ย มีเล็ดก็คือมียานมีวิ ช, ชามีกลุ่มวิ ช, ชาแม้กลุ่มอภิน ญ, ญาทั้งหลายเหล่านี้ก็กลุ่มวิ ช, ชาเยอะแล้วก็วิเศษสุดเนี่ยนะเบ็เซ็จเหล่านี้เวลามาเจอพระเจ้าเหล่านี้หมดสภาพบางคนอยากจะเหาะหนีก็หาะไม่ได้อยากจะหายตัวให้หนีไปก็หายตัวไม่ได้นี่เป็นเรื่องความทรมานมากใช่ไหมทั้งๆไม่อยากจะอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วจะดำดินหนีดีกว่าจะมุดหรือจะหายไปจากที่ตรงนี้ดีกว่าก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้รับ พะทานอนุญาตโหเป็นเรื่องที่เห็นไหมคนที่มีฤทธระดับอย่างนี้เนี่นี่คือพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงทําให้บุคคลเหล่านั้นสิ้นประยศพระองค์ก็ท ร, รมานบุคคลเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นพิกษูภิกษุณีอุบาสกแม้อุบาสิกามนุษย์และเทวดาทั้งหลายถ้าเป็นมนุษย์นี่ก็ประทานบรรพชาให้ตั้งอยู่โสดาปฏิมกักโซดาปฏิผลสกาธาคามิมกักสกาธาคามิผลอานาคามิมกักอานาค า, ม, ม, า, า, า, ามิผลและ อารัฐมรรคอารัฐผลมากมายเลยพระบรมศาสดามีปัญญาใหญ่มากด้วยประการอย่างนี้ก็สรรเสริญคําบพระปัญญาคุณของพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าใช่ไหมในวันนั้นพระบรมศาสดาก็เสด็จมาตรัสถามพระภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันเรื่องอะไรเข้ามาก็มาถามเลยใช่ไหมแล้วเรื่องอะไรที่พวกเธอสนทนาค้างกันก็ไว้บอกให้พูดต่อแท้ที่จริงพระบรมศาสดารู้นะรู้ว่าพ่าภิกษุนี่กำลังสนทนากันเรื่องอะไรพอมาเบ็เสร็จ ก็มาถามใช่ไหมก็บอกเออภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลให้ทราบเพื่ตราสว่าพิกษุทั้งหลายปัญญาบารมีของพระบรมศาสดาตอนนี้ถือว่าเป็นผลที่สําเร็จแล้วอันนี้ถือว่าสําเร็จสูงสุดแล้วเพราะเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วใช่ไหมความบริบูรณ์แห่งปัญญาบารมีก็เรียกเป็นประมะประมาก็คือเต็มแล้วบริบูรณ์แล้ว ไม่ใช่แค่ปัญญาบา ร, รมีเต็มนะแม้แต่ทานบา ร, รมีก็เต็มศีลบา ร, รมีก็เต็มเนคขม่าบา ร, รมีก็เต็มปัญญาบา ร, รมีก็เต็มวิริยะขันติสัจจอาทิฐานเมตตาอุเบกขาบา ร, รมีเหล่านี้เต็มหมดแล้วฉะนั้นก็หลักบริบูรณ์แบบเสร็จปัญญาบา ร, รมีของพระบ ร, รมศาสดาตอนนี้เต็มหรือมีมากเนี่ยเพราะงั้นก็ถามบอกว่าไม่ใช่แต่การการระบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในอดีตการนะ อันนี้ชาตอดีมาเลยใช่ไหมแม้ในอดีตการเมื่อยานยังไม่แก่กล้ายังบำเพ็ญบุระปปัจจริยาเพื่อประโยชน์แก่โพธิยาณอยู่เนะีตอนนั้นบารมียังไม่เต็มนะปัญญายังไม่เต็มนะตอนบำเพ็ญปปัจจริยาตอนบำเพ็ญทานศีลเนคคำว่าปัญญาเป็นต้นตอนนั้นยังไม่เต็มเพื่อต้องการจะทําโพธิให้เต็มจะทําสัมมาสัมโพธิยาณให้บริบูรณ์ให้เต็มให้สมกับคำว่าบารมีบารมีเนี่ยนะ บารมีเนี่ยไม่เต็มบรรลุไม่ได้ใช่ไหมตอนถ้าใครปรารถนาเป็นอะไรถ้าปรารถนาเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาก็ต้องให้เต็มเห็นไหมเป็นพุทธสาวกก็ต้องให้เต็มระดับไหนระดับไหนก็มีขีดในการที่กําหนดกฎเกณฑ์ไว้กลุ่มที่นั่งอยู่นี้คือกลุ่มที่ยังไม่เต็มใช่ไหมกลุ่มที่ยังไม่เต็มใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือต้องการที่จะมาเก็บเกี่ยวมาเพิ่มพูนใช่ไหม เพิ่มพูนปัญญาบา ร, รมีนะไม่ใช่มาเพิ่มพูนกิเลสใช่ไหมกิเลสนั้นน่ะไม่จําเป็นต้องเพิ่มพูนเพราะมันเต็มอยู่แล้วเพราะมันเต็มในกระแสห้องใจของมนุษย์อยู่แล้วจัของสัตว์โลกอยู่แล้วพิสูจทั้งหลายไม่ใช่การบัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตมีปัญญาแม้ในเดิจการเมื่อยานปัญญายัางไม่แก่ก้ายังบําเพ็ญบุรพจยริยาเพื่อประโยชน์แก่การได้มาซึ่งสัมมาสัมปวิยาณอยู่ก็เป็นผู้มีปัญญาเหมือนกันตรัสจ尼แล้วก็ดุสเนียภาพ พระพุทธเจ้าเล่า เ, เบ็เบ็เบด็จพระพุทธเจ้าก็นิ่งก่อนเนีถามว่าทุกคนก็อยากได้ยินใช่ไหมเพราอยากได้ยินเบ็ดเสรก็อาลัธนาขอพระบรมศาสดาอ้อนวอนนะต้องทูลอ้อนวอนให้ทรงแสดงบทพรจริยากําหนดอดีตนิทานมาแสดงลองคิดดูที่กว่าเราจะรู้สักเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องอาศัยใครอาศัยพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาตั้ง20อสงคขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากักว่าจะได้ยินเรื่องปัญญาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยนั่นหนึ่ง สองด้วยการที่บำเพ็ญมาด้วยความเหนื่อยยากในพระุทธเจ้าแสดงไหมพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาที่คุณจริงอยากจะบอกด้วยซ้ําไปแต่เมื่อไปจะพอเอ่ยปุ๊บขึ้นมาก็ต้องเงียบไว้กระตุ้นให้ใจของสัตว์เนี่ยมีความรู้สึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้าว่าเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพระบรมศ า, ศาสดานั้นทรงบำเพ็ญบารมีอย่างไรใช่ไหมล่ะ เออในอดีตเนี่ยขอให้พระ อ, องค์เล่าให้ฟังหน่อยเถิดพระก็พากันอาราธนากราบทูลในราตนาขอให้พระบรมศ า, าสดาเนี่ยโปรดทรงสแสดงนําอดีตเรื่องราวต่างๆที่พระ อ, องค์ทรงบาเพ็ญมาในอดีตพบในอดีตชาติที่ข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ทราบเนี่ยอยากจะรู้และอยากจะเก็บเกี่ยวเอาปปพัชจริยานั้นมาเป็นข้อปฏิบัติในบรรดาปปพัชจริยานั้นว่าวิธีคิด มุมมองทัศนคติใช่ไหมเกี่ยวกันในการปฏิบัติที่จะทําให้เกิดปัญญานะทำยังไงเพราะข้าพระองค์ก็อยากจะเรียนรู้และจะได้นํามาประพฤติปฏิบัติทําให้มันเกิดได้จริงในชีวิตเนี่ยไม่ใช่ต้องการเรียนรู้เข้าใจแล้วเอามาคุยเอามาอวดเอามาอ้างอะไรเลยแต่ต้องการที่เมื่อมีปัญญาแล้วมันมีปัญญาวุฒะโยปัญญาวุธใช่ไหมไอ้ตัวปัญญาวุธิเปนประหัรประหารราคะโทสาโมหะนี่ สิ่งสำคัญไหมเนี่ยปัญญาเนี่ยสำคัญัหมปัญญาสำคัญหมั้นปัญญาสาคัญถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่ากิเลสไม่ได้ใช่ไหมเ่าเพราะปัญญาเนี่ยเป็นปฏิปักต่ออวิชชาก็คือเขาจะฆ่ากลุ่มสามโมหะทั้งหลายก็กาบทูลวิงวอนให้พระบรมศาสดานั้นแสดงประกาศปุพพาริยาจึงพระองค์ก็ได้นำอดีต อดีตนิทานก็คือเขตนในนิทานคือเหตุนะเข ต, เตที่ทรงมีได้เป็นพระบุตรเจ้าก็ยกมาเลยและเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายในดีตการมีพระราชาพระนามว่าวิเทหะนะมีวิเทหนะมีเมสเวยราชาสมบัติอยู่ในกรุงมิทุลาแควนวิเทหะมีบัณฑิตอยู่สี่คนนะ ชื่อว่าสเสนกะหนึ่งชื่อว่าปกกุสะหนึ่งชื่อวกามินธาหนึ่งแล้วก็เทวินทาหนึ่งเป็นผู้ถวายอนุศาสตร์อนุถวายอนุศาสตร์อัฏฐะและธรรมะแด่แด่พระเจ้าแผ่นดินนั้นแด่พระราชาเนะี่ยคำว่าถวายอนุศาสตร์อัฏฐะและธรรมะเนี่ยถวายอะไรอนุศาสตร์ก็คือถวายข้อคิดเห็นถวายคําสอนนี่ย น, นะ เขาเรียกว่าถ้าอย่างเราเราเขาเรียกว่าถวายความรู้ให้กับพระราชาเนเองมีบัณฑิตเนี่ยมีหน้าที่ถวายความรู้ถวายอัฏฐานและธรรมะก็คือพูดเรื่องผลกับเรื่องเหตุให้กับพระราชาทราบว่าผลที่เกิดขึ้นอย่างนี้มาด้วยเหตุอะไรเหตุที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างไรก็คือบอกเหตุและผลกับพระราชาเขาเรียกบัณฑิตบัณฑิตก็คือว่าเป็นคนที่คอยเสนอใช่ไหม วิธีคิดมุมมองทัศนาคติในข้อคิดต่างๆเราเนี่ยให้กับพระราชาได้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันมาจากเชื้ออะไรและถ้าเราจะสร้างประกอบเหตุแบบนี้แล้วผลมันจะตามมาอย่างไรฉะนั้นบุคคลที่เป็นบัณฑิตอยู่ใกล้ชิดระหว่างผู้นําทั้งหลายเนี่ยจะต้องฉลาดใช่ไหมล่ะจะต้องฉลาดจะต้องมียะต้องมีปัญญาค่อนข้างค่อนข้างดีถ้าพระราชาหรือผู้นําคนใดนีมีที่ปรึกษาดีก็ประสบความสําเร็จ สรุปแล้วก็คือว่าทุกวงการทุกระดับใช่ไหมล่ะจะต้องหาที่ปรึกษาแล้วตอนนี้พวกเราที่นั่งกันอยู่เนี่ยท่านทั้งหลายเลือกที่ปรึกษาในใจไว้หรื อ, อยังใช่ไหมล่ะถ้าที่ปรึกษาในที่ผ่านมาแปลว่าเรามีที่ปรึกษาพลาดแน่นอนมันถึงเป็นแบบเนี้ย หรือได้ที่ปรึกษาดีหรือเราไม่สนใจคำการให้การปรึกษาของที่ปรึกษาหรือเปล่าแม้นพระเจ้าแผ่นดินสังเกต ด, ดูนะที่เขาจะปกครองประเทศหรือปกครองนครทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นต้นได้ก็มีที่ปรึกษาในทุกวงการในทุกระดับเนี่ยคนที่มีที่ปรึกษาที่ดีก็ประสบความสาเร็จในชีวิตใช่ไหมทีนี้พุทธบริษัทแหละเราจะเอาใครเป็นที่ปรึกษา เอาพุทธเจ้าห่าพระพุทธเจ้าเอาวัฒธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาสงศ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ประเด็นอยู่ว่าที่เราอ่านสารไม่ก็ไม่เข้าใจอะ่ะที่ปรึกษาดีแต่เราเป็นคนที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจจะทํำยังไงตรงนี้ต้องแก้ไขที่ที่ปรึกษาหรือแก้ไขเราต้องแก้ไขที่เราแล้วในฐานะที่เราฟังฟังแล้วไม่เข้าใจอ่ะนะีพระเจ้าวิเทหาราช นั้นการนั้นพระเจ้าวิเทหราชกระซงสุบินในเวลาที่ใกล้ลุ่งในวันพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิที่มุมพระลานหลวงทั้ง4ี่มุมมีกองเพลิงอยู่4กองนีประมาณเท่ากับกำแพงใหญ่ก็ลุกโพลงขึ้นในท่ามกลางกำแพงกองเพลิงใหญ่นั้นน่ยก็มีกองเพลิงหนึ่งประมาณเท่าหีงห้อยนีที่แรกนี่นะตั้งขึ้นลุกร่วงเลยกองเพลิงทั้ง4ี่ในขณะนั้น ตั้งขึ้นจรวดประมาณกนิถธคมสว่างทั่วจักรวาลว่าสิ่งที่ตกในภาคพื้นนแม้เท่ า, มาเมล็ดพันธุ์ผกกาศก็ปรากฏโลกทั้งเทวดาและมารและพรหมบูชากองไฟนั้นด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นมหาชนก็เที่ยวอยู่ในระหว่างเปลวเพลิงก็ไม่ได้ร้อนแม้จกคุ้มขนก็ไม่ร้อนเข้าใจความฝันไหมคือมีกองเพลิงสี่กองใช่ไหมอยู่ในเมืองเนี้ย แล้วในขณะเดียวกันก็มีกองเพลิงอีกกองหนึ่งที่ฝันเน่ยเล็กๆก่อนที่แรกเนี่ยเท่ากับหิ่งห้อยเนี่ยแต่กองเพลิงนั้นก็กว้างใหญ่ขึ้นแล้วพุ่งไปนู้นเลยยันจักรวาลไปถึงอกติถพมทีนี้กองเพลิงเหล่านี้ก็เลยทําให้กองเพลิงสี่กองนั้นประดุดดังหิ่งห้อยไปเลยตอนนี้ใช่ไหมกองเพลิงนี้ก็ลุกโชนช่วงไปเลยกองเพลิงทั้งสกองที่มีอยู่ก่อนเนี่ยกับกลายเป็นกองเพลิงที่ไม่ค่อยมีค่า แต่มันประหลาดอยู่อย่างก็คือกองเพลิงเหล่านั้นไม่เคยทําประชาช น, นในเมืองเหล่านั้ น, นให้ได้รับความร้อนเลยกลับได้รับความเพลิดเพลินเนี่ยนะแล้วสิ่งที่ตกลงมาในภ้า พ, พื้ น, นดินแม้เท่าเม็ดพันฝากรก็ปรากฏโลกทั้งเทวดามารพรมก็บูชาด้วยเนีไอ้บูชากองเพลิงที่ลุกขึ้นมาใหม่นี้ด้วยแล้วกองเพลิงนั้นไม่ร้อนเลยเมสักคุ้มขนก็พระราชาเห็นเห็นการฝันเห็นสุบินนั้นแล้วก็หวาสดสะดุ้งลุกขึ้นประทับนั่ง จินตนาการจนลุ่งอรุณไม่ได้นอนเลยนะเหตุการณ์อะไรเนาะแล้วว่าจะเกิดขึ้นแก่เราบัณฑิตก็เลยเรียกบัณฑิตทั้ง4ี่คนมาเข้ า, เ, ขาเปล่ก็ถามเลย่ า, าแต่สมมติเทพพระองค์เป็นสุขดีอยู่หรือพระราชาก็ตอบว่าท่านอาจารย์ความสุขจะมีแก่เราแต่ที่ไหนเราได้ฝันสิ่งที่ประหลาดเกิดขึ้นในใจของเราเร า, เรานอนฝันเมื่อคืนเนี่ยทรงสบินนิมี้ก็เล่าให้ฟังทีนี้เมื่อเล่าให้เล่าความฝันให้ฟังอ่ะเสน่หกับบัณฑิตก็รู้ว่า ข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าได้ตกพระไทยเลยนันสุบินนั้นเป็นมงคลความความเจริญจักมีแก่พระองค์นะเมื่อพระราชาตรัสถามพา่อเหตุไรข้าแต่มหาราชบัณฑิตที่ห้าอีกคนหนึ่งจะเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมในเมืองนี้มีบัณฑิตสี่คนแสดงว่าบัณฑิตคนมีปัญญาจะเกิดขึ้นนี่ลงย้อนดูที่ตอนที่เราจะเกิดนั้นน่ยมีใครฝันฝันแบบนี้บ้าง นี่เรื่องปัญญานี่เรื่องถ้ายกในเรื่องของปุกลาที่ฐานมาจะเห็นภาพบางทีสบายที่จริงเอามาต้องการจะอธิบายสภาวธรรมนะแต่เอเห็นทีไม่ค่อยได้เรื่องแล้วงานเนี้นึกอย่างเงี้นะเพราะสถานการณ์ท้องอิ่มหนังตาตึงเนี่ยไม่ใช่ท้องตึงหนังตาหย่อนอย่างเนี้ยใช่ไหมชักไม่ค่อยได้เรื่องก็เลยนั่งนึกในใจว่าเอต้องเอาเรื่องราวนี่เปลี่ยนแผนอ <laughs> ธิบายสภาวธรรมนี่ยุ่งเลยงานเนี้ยเนะีย เป็นกันจริงไหมอยอมบวรวัตรใช่ไหมแต่เอาเป็นเรื่องราวอย่างนี้พอะจะจับภาพได้บหน่อยใช่ไหมเอาเรื่องบัญญัติบ้างเอาเรื่องราวต่างๆถ้าจริงก็เป็นเรื่องจริงนะจะได้สืบค้นดูปัญญาเป็นระยะระยะว่าท่านคิดยังไงเชื่อทุกคนเคยอ่านแต่ว่าขาดการวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมทีนี้มาจะอ่านด้วยแล้วก็จะมาวิเคราะห์ทุก ม, มุมให้ดูด้วยนะทุก ม, มุมให้ดูด้วยวเออปัญญาเกิดยังไงนีปัญญาเกิดขึ้นยังไง ทีนี้พอบัณฑิตคนที่5จะเกิดขึ้นครอบงามพวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นบัณฑิตทั้ง4คนให้หมดรัสมีเงพวกข้าพระองค์ทั้ง4คนก็เหมือนกะกองเพลิง4ี่กองบัณฑิตบัณฑิตที่5จะเกิดขึ้นก็เหมือนกับกองเพลิงที่เกิดขึ้นในท่ามกลางก็บัณฑิตนั้นหาผู้เสมอไม่ได้ในโลกทั้งเทวโลกโอโ้รู้เลยสุนีกับบัณฑิตเนื้อรู้เลยใช่ไหมทั้งมนุษย์เนี่ยนะและเทวโลกก็จกับไม่มีใครเทียบเลยให้สังเกตดูนะว่า พระเจ้าวิเทหราชตรัสถามว่าก็บัฏนี้บัณฑิตอยู่ที่ไหนสเสนกะบัณฑิตก็ทูลพยากรร์ลาวก็เห็นด้วยตาทิพเนีเห็นด้วยทิพ ป, ประจักษ์สูเลยเพราะกําลังแห่งการศึกษาแต่ไม่ใช่ด้วยกําลังแห่งญานปัญญาจริงๆเห็นว่าคนบางคนเนี่ยตรงนี้เราจับมุมได้แล้วนะว่าคนที่ศึกษามากเนี่ยคำนวณอะไรได้ระดับหนึ่ง คนที่ศึกษามากคนที่ฟังแล้วเกิดความเข้าใจมากก็จะสามารถคำนวณเหตุและผลได้อันนี้เป็นสุดตะแท้ๆเลยปัญญาที่เกิดจากการฟังพอฟังแล้วก็ประมวลข้อมูลได้แต่ถ้ามานั่งฟังแล้วมานั่งหลับในปัญญาจะวิ่งขึ้นได้ไหม <c oughs> ได้ไม่ได้ไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ไอตัวไอผวังขจิตนี่มีความสุขั้มเวลาเราอยู่กับเขามีไม่มีมีเหมือนกันนั่นเองเราผวางกจิตก็ทาให้ความสุขได้นะคนอยู่ที่ภวังนานๆพอตื่นขึ้นมาก็หน้าตาก็เอิบอิ่ ม, มหน้าตาก็เอิบอิ่มยอมวาวัชอบภวังขจิตมั้ยไม่ชอบเ ระหว่างพวังกับจิตกับภรรยาใครน่ารักกว่ากันของันก็นั้นก็ประกาศขอแต่งกับพระวังกับจิตดิ่งเอาปัญญานี่นก็บัณฑิตนั้นอยู่ที่ไหนสเสนกับบัณฑิตกับพยากรบอกว่ายังก็เห็นบอกว่า โดการศึกษาของตวนวันนี้บัณฑิตนั้นจะถือปฏิสนธิจากคลอดจากคารมันดาบอกวันเนี้ยพระราชาก็ทรงระลึกถึงคําของสเสน่กับัณฑิตนั้นจําเดิมแต่นั้นมาก็บ้านทั้งสนะก็คือบ้านชื่อว่าทักคินะยวมัชชคามหนึ่งปัจฉิมยวมัชชคามหนึ่งอุตรายวมัชชคามหนึ่งแล้วกัปาจีน ยวะมัชคามมีอยู่ที่ประตูทั้งสี่แห่งของเมืองมิทิทลาใ น, ในบ้านสี่นั้นะ <_ an> เสถีชื่อว่าสิริวัฒกะนะอยู่ในบ้านชื่อว่าปาจีนยวะมัชคามภรรยาของเสถียีนั้นมีชื่อว่าสุมณสุมนาเทวีน <_ an> วันนั้นพระมหาสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์จุดติจากดาวดึงนี่ลงมาจากดาวดึงแล้วคนมีบุญแนะ <_ an> สดงเห็นชัวดว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็น พรธิษัทในภพนี้ท่านอยู่ในชั้นดาวดึงมาถือปฏิสนธิในครรนของนางสุมานาเทวีในเวลาที่พระราชาทรงสุบินเทพอีกพันหนึ่งบริวารเทวาดาอีกพันหนึ่งก็ตายจากดาวดึงเหมือนกันมาถือปฏิสนธิในตระกูลของเศรษฐีใหญ่น้อยในบ้านนั่นเองันไม่ใช่มาคนเดียวมาพร้อมทั้งตระกูลก็มาพร้อมทั้งบริวาร โอ้นึกอย่างนี้อนึกนึกกัุณาตัวเองจริงๆตอนมาเกิดมีบริวารตามมาไหมอันนี้บ่งบอกว่าไม่ใช่คนมีบุญมาเกิดจริงๆเนี่ยอันนี้บ่งบอกชัดเลยเนี่ยอันนี้พูดถึงมาเกิดไม่ใช่มาคนเดียวมาได้พร้อมบริวารแต่พวกเราเนี่ยจะไปอีกที่หนึ่งซึ่งมีบริวารไปเยอะคือนายบายภูมิ ในายภูมเวลาลงไปในชนกวาดกันลงไปโห้ยเป็นแถวมาแล้วลงหน้าหน้าห น, น้าสะดุงสะเทือนน่ากลัวมากนะเห็นไหมตรงนี้ก็คือมาจากดาวดึงเลยนะตระกูลเศรษฐีน้อยใหญ่ในบ้านฝ่ายนางสมนสมนาเทวีคลอดบุตรประดุดดังทองคำนะีคือบุตรนี่งามมากประดุดดังทองคำ เห็นไหมคนเวลาเป็นพระบริษัทเวลาอุบัติเกิดขึ้นมาเนี่งามตั้งแต่เกิดเวลาเวลาคลอดออกมาก็โหมีเครื่องรองรับอย่างดีอามาคลอดมาเนี่ยหลุดลงกระด้งเก่าๆโอ้กระจอกจริงเกิดมาเป็นเด็กกระจอกอยู่ในผ้าอ้อมเก่าๆตัวดำๆนี่น่นาเกียดแท้ แล้วก็ล่วงการใน้10เดือนในขณะนั้นเองเท้าสกาเ ท, ทวราช ท, ทอดเพระเนตรดูหมู่มนุษย์ก็ทราบว่าพระโพธิสัตว์คลอดจากคารันมดาก็คิดว่าควรเราจะทำพุทธทางกูลนี้ให้ปรากฏในโลกทั้งเ ท, งทวโลกขนาดเท้าสกายังอยู่ไม่ได้เห็นไหมคนมีบุญเวลามาเกิดเบียเศท้าวสกาก็บอกไม่ได้แล้วเราจะทาพุทธทางกูลก็คือหนอใช่ไหมหนอหรือเมล็ดพันแห่งพุทธา มเลมเล็ดพันธุ์แห่งสัมมาสัมพุท ธ, ธาตอนเนี้หน่อมังพุท ธ, ธานี่จเจริญเติบโตมากแล้วฉะนั้นเราจะประกาศหน่อนี้ให้ปรากฏเพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้พากันชื่นชมบูชาเพราะใครทําจิตให้ยินดีในพระโพธิสัตว์ยังไปสุคติยังไปพระนิพพานได้ใช่ไหมจะป่วยกล่าวไปยหยในการที่จะตั้งศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขณะตั้งศรัทธาไว้ในพระโพธิสัตว์ยังมี การพ้นจากชาติทุกชราทุกพยาทิทุก์และมรณะทุกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้ก็เลยเท้าสกะก็มาเลยจึงเสด็จมาด้วยอาทิตสมาอาทิตสมาลกายก็คือไม่มีคอนเห็นในเวลาที่พระโพธิสัตว์คลอดจากคามนมารดาก็วางแท่งโอสถเอายาวางที่มือเลยที่หัดแห่งพระมหาสัตว์นั้นแล้วก็กลับไปยังทิพยวิมานของตนทีเดียวพระโพธิสัตว์รับแท่งโอสถนั้นกำไว้ เมื่อพรบริษัทคลอดจากครรแล้วความทุกข์ไม่ได้มีแก่มารดาแม้สักน้อยเลยคลอดง่ายเหมือนกับเทน้ําออกจากธรรมกะระโหลกไอ้ธรรมกะระโหลกก็คือที่กรองน้ําของพระเวลาเขากรองน้ําไว้กองตัวสัตว์ทั้งหลายแล้ว เ, เนี้ยง่ายมากๆเลยอย่างเทน้ําออกโหยคนบางคนจะคลอดแต่ทีแม่แทบตายใช่ไหมอย่างพวกเราบางคนต้องพาวเลยนะแทนจะทรมานนี้บ่งบอกเลยนะเกิดมาทั้งทีก็ต้องทรมานคนอื่นด้วยอันนี้ด้วยกรรมของตนเองด้วยใช่ไหม กรรมของตนเองด้วยแล้วกักรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราด้วยเนี่ยถ้าเราทํากรรมชั่วนี่นะเราไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นก็เดือดร้อนพวกเราอฉะนั้นเราจะทํากรรมดีด้วยกรรมล้วอย่าไปคิดนะเราชั่วเฉพาะตัวเราไม่เกี่ยวข้องกับใครคนคนี้คิดผิดทํากรรมชั่วแล้วไปอยู่กับใครทำให้อกุศลกรรมเหล่านั้นไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยชื่อเบียดเบียนคนอื่นด้วยไปเกิดเป็นลูกใครเขาก็ลําบากคนที่บุญในน้อยทั้งหลายนี่นะบุญเขาก็พอจะเลี้ยงตัวเขาได้ใช่ไหม แต่เราทําอกุศสรกรรมมันลามกไว้เยอะเนี่ยพอเราไปเกิดเป็นลูกเขาแล้วไปปิดบุญเขาอีกทําให้เขาได้รับบาปแสนจะทรมานอย่างมากมายก็เยอะฉะนั้นอย่าไปทํากรรมชั่วนอกจากตนเองจะเดือดร้อนแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยจงทํากรรมดีเหมือนพระโพธิสัตว์นอกจากส่งเสริมตัวเองแล้วก็ยังส่งเสริมบุคคลอื่นด้วยไปเกิดเป็นลูกใครใครก็ชื่นชมอย่มั้งให้สังเกต ด, ดูนะใครถ้าพระโพธิสัตว์ไปถือปฏิสนธิในคันของท่านพุทธดเนี่ย พระบริจาคพระบริษัทจะไม่เคยลืมพระคุณท่านพวนั้นนะที่สุดจริงๆดึงออกจากสังสารวัตได้จริงๆถึงแม้จะเคยเกี่ยวข้องเป็นพ่อเป็นแม่มาหลายๆชาติหน่อยที่สุดระลึกชาติได้โอ้หนี้ท่านพนี้เคยมีอุปการะคุณเลยอยากกันนั้นเลยเดี๋ยวดึงออกจากสังสารวัตรเราสงสัยไม่ค่อยได้ใกล้ชิดพระบริษัทมาขนาดนี้นใช่ไหมแต่ก็ถือว่าได้ใกล้ไหมถือว่าเราเคยเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าไหมในอดีต เป็นเป็นบริษัทของพระบริษัทมาก่อนใช่ไหมตอนสมัยพระเจ้ามหาสุทัศนาก็มีบริษัทของพระบริษัทเยอะเลยใช่ไหมหลายกลุ่มมากที่ไปรับทานของพระบริษัทมีหลายหลายกลุ่มใช่ไหมในจานวนเหล่านั้นมีกลุ่มพวกนักเลงสุลาด้วยนี่พวกนักลํานักฟ้อนเนี่ยนักสนุกสนานก็มีใช่ไหมที่ไปเต้นไปร้องตามจังหวะดนตรีอ่ะที่ว่ามีเสียมีะระฆังที่กังวานตามเสาเออตามต้นตาลทองทั้งหลายเหล่านี้ แล้วกลุ่มนักเต้นทั้งหลายนักร้องนักลํานักดื่มทั้งหลายที่ไปรับทานของพระบริษัทเวสร็จก็สนุกสนานกันทั้งวันไม่มีอะไระพระเจ้าก็บอกบริษัทของเราในครั้งนั้นก็มาเป็นบริษัทในครั้งนี้อามาก็คิดเลยเนี้อนืสงสัยพวกเราคงจะเป็นกลุ่มนักเมาทั้งหลายนี่ใช่ไหมใชล่ะมากไม่ค่อยได้บรรลุอะไรกับเขาเลยใช่ไหมทีนี้ หลังจากกลับเบษษ็ดเสร็จเหล่านั้นพระโพธิสัตว์คลอจักรันนความทุกข์ไม่เกิดกับแม่เลยเหมือนกระเทน้ําออกจากธรรมกะหลกฉะนั้นนางสุมนาเทวีเห็นแท่งโอสถในมือของบุตรนั้นจึงถามว่าลูกได้อะไรมาบุตรนั้นก็ตอบมารดาโอสถจะแม่เกิดแล้วพูดได้ถามว่าเกิดแล้วพูดได้อันนี้คือผลใช่ไหมคือผลฉะนั้นบุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้เพราะไม่เข้าใจเหตุ ใครก็แล้วแต่ถ้าหากสร้างทานศีลทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาเป็นต้นจนถึงอเวขาบา ร, รมีจนแก่กล้าจนได้รับพุทธภัยากักรแล้วแล้วก็ทั้งปัญญาที่ฐานังอุปสมาธิ่ฐานังสัจจาธิฐานังจารคาธิฐานังตั้งมั่นแล้วใช่ไหมหนึ่ก็คือว่าปัญญากล้าแข็งความเพียรก็แรงกล้าอธิษฐานก็มั่นคงมีเมตตากรุณาเป็นปเรจาริกด้วย แล้วอัธยาสายที่แข็งแกร่งทุกชาติแล้วก็ระดมสัพพบา ร, รมีอย่างมีกำลังทุกพบทุกชาติแล้วใกล้จะการจะจะตัดสรู้ด้วยถามว่าพูดได้ในขณนะเกิดอย่าแปลกเราก็ทำได้ถ้าทำไได้ขนาดนั้นนะถ้าเราบ่มเพนบา ร, รมีได้ระดับนั้ น, นเราก็เป็นผู้พูดได้ในขณะเกิดไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกเพราะผลที่เกิดขึ้นมันไหลมาจะเขตมันไหลมาจะเขตมันไม่ใช่เรื่อง มันไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์นะถ้าสร้างเหตุบริบูรณ์แล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระโพ ธ, ธิสัตว์ดีๆนี่แหละใช่อไหมล่ะแต่เพราะเออเราไม่เข้าถึงธรรมดาเหล่านั้นเราจึงไม่เข้าใจว่ามันมีแบบนี้ได้จริงใช่ไหมฉะนั้นเราทําให้ถึงธรรมดาแบบนั้นสิทำให้เต็มที่ทาให้บริบูรณ์สิฉะนั้นท่านก็พูดบอกกับแม่ได้บอกว่าโอสถจ้ะแม่แล้วก็วางทิพยโอสถในมือของมารดานั้น ข้าแต่แม่แม่จงให้โอสถนี้แก่เหล่าคนเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยอย่างได้อย่างหนึ่งเถิดนางสมนาเทวีมีความร่าเริงมีความยินดีมีความปลื้มใจอย่างยิ่งก็บอกแกสิริวัฒกาเศรษฐีผู้สามีว่าเศรษฐีเนี่ยป่วยเป็นโรคปร่วยศีรษะมาตั้ง7ปีแล้วมีความยินดีร่าเริงคิดว่ากุมานนี้เมื่อเกิดมาแต่ครามารดาก็ถือโอสถมาเนะทั้งพูดกับมารดาได้ในขณะเกิดนี่เองก็ตื่นเต้นใหญ่ใช่ไหม โอ้โหโรคพูดได้ในขณะที่เกิดวันนี้เลยเนี่ยงั้นโอสถที่ผู้มีบุญเห็นป่านนี้จกมีอนุภาพมากจกมีอนิสงฆ์มากอย่างแน่นอนคิดชะนี้แล้วก็ถือโอสถนั้นฝนที่หินบดเอาหินมาฝนนนะแล้วก็เอาโอสถหน่อยหนึ่งทาที่หน้าผากหน้าผากของเศรษฐีโรคปวดศีรษะที่เป็นมา7จปีก็หายโรคที่ปวดศีรษะที่เป็นมาเจดปีก็หายไป ดูดน้ำหายไปจากใบบัวเะนั้นท่านเศรษฐีนั้นมีความดีใจว่าโอ๊ยโอสถนี้มีอนุภาพมากโอ้โหวิเศษมากเรื่องพ้ามามหาโพธิสัตว์เนี่ยที่ถือโอสถแล้วก็นำยาออกมานเนี่ยปรากฏในที่ทั้งปวงบรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งปวงน่พากันมาบ้านเศรษฐีแล้วขอยากั น, เน่เลยขอยาแล้ว ฝ่ายท่านเศรษฐีก็ถือโอสถหน่อยหนึ่งฝนที่หินบดละลายน้ําให้แก่คนทั้งปวงเพียงเอาทิพโอสดนะ่ะทาสรีระเท่านั้นนะ่ะความเจ็บป่วยทั้งปวงก็สงบที่จริงมาจากอะไรอ่ะมาจากอะไรบุญมาจากบุญมนุษย์ทั้งหลายได้รับความสุขก็สรรเสริญโอสถในเรือนของรศรษฐกถาเศรษฐีว่ามีอนุภาพมากและกลิกไป ในวันตั้งชื่อมหาสัตว์หรือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านเศรษฐีก็คิดว่าเออเราเนี่ยจะไม่ตั้งตามบรพรพบุรุษแล้วจะไม่ตั้งตามปู่ตายายายแล้วมาแต่ชื่อของบุตรของเราบุตรของเราถือโอสถออกมาใช่ไหมเขาเกิดมาก็ถือโอสดออกมาด้วยแต่นั้นไปก็ตั้งชื่อมโหสถว่าเป็นมโหสถกุมารเลยตั้งชื่อกุมารโมโหสถกุมารพรอใสคําเกิดขึ้นว่าโอสถโอสถเนี่ยมีคุณค่ามากเลยตั้งว่าโมโหสถ โอสถเนี่ยนะหรือมโมโหสถเนี่ยมีคุณคุณมากด้วยประการชนี้ลำดับนั้นเนี่ยนะท่านเศรษฐีได้มีความคิดว่าเว็บบุตรของเรามีบุญมากคนมีบุญมากคงไม่เกิดคนเดียวแน่นอนนี่คนมีปัญญาไหมพ่อก็ต้องมีปัญญามั้ยเข้าใจโอ้คนมีบุญขนาดเนี้ยไม่ใช่มาคนเดียวแล้วสงสัยเอาบริวารมาด้วยแน่นอนแล้วเนี่ ย, นน ย, ยทารกทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับบุตรของเรานี้จะพึงมีจึงได้ตรวจดูก็ได้ข่าวพบทารกเกิดวันเดียวกันหนึ่พันคนเลยนี่หมู่บ้านนั้น แปล ว, ว่าลงมาเป็นพันเลยด้วยนะจึงให้เครื่องประดับแก่กุมารทั้งหมดแล้วก็ให้นางนมหนึ่งพันคนให้ทํามงกลมแก่ทารกเหล่านั้นพร้อมกับพระโพธิสัต ท, ทีเดียวโดวยคิดว่าทารกเหล่านี้จะเป็นผู้ปฏิบัติบำรุงบุตรของเราแสดงว่านี่มาเป็นบริวารของบุตรของเราเพาดูแลจากพันคนที่เกิดมาในวันนี้ยไม่มีใครมีอิทธิปฏิหารเท่ากับบุตรของเราเลยเนะี่ยทีนี้ นางนมทั้งหลายก็แต่งทารกนํามาบำํำเบอพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เล่นอยู่กับทารกเหล่านั้นเจริญวัยต่อมาอายุนะียก็เจริญวัยจนถึงอายุเจ็ดขวบรูปร่างงามราวกับเปรียบดังทองคําอันนี้แปลว่าแลไรพระรูปงามขนาดนั้นแปลว่าปุพพจริยาใกล้เต็มแล้วคนที่ปุพพาริยาใกล้เต็มอะทานบา ร, รมีกจวนเต็มแล้วเวศีลบา ร, รมีกจนเต็มเนคขามาปัญญาวิริยะนี่โอ้โหเต็มใกล้เต็มเบ็ดเสร็จ ฉะนั้นกุศลกรรมทั้งหมดก็มาแต่งสรีละผมก็งามขนก็งามเล็บก็งามฟันก็งามผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเนี่ยแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นน่ยมาจากกุศลกรรมมาจากบา ร, รมีแต่ละบารมีธรำเนี่ยมีแต่มาจากกุศลกรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างงดงามมากประดุจเครื่องอลังการมาผสมกันอย่างนั้นเนะ่ยเครื่องประดับมาม า, มาผสมกันความงดงามเป็นอย่างนั้นน่ยขณะเป็นผูศ้ศรัทธาก็งามงามอลังการ นี่เป็นอย่างนี้ก็คือมีความงามมีจุดเด่นใช่ไหมอย่างพวกเราเป็นนั่งอยู่ในกลุ่มๆมองที่ไม่ค่อยรู้ไม่เห็นมีใครฉายแสงเด่นออกมาเลยใช่ไหม น, นี่บ่งบอกว่าปุพพจริยาไม่ค่อยดีนะเนี่ยยัง ม, มองปุ๊บแล้วมันรู้สึกโอ้โหเด่นในใ น, ในที่ในที่ชุมชนเลยทีอันนี้บ่งบอกอะไรเนี่ยศีลเท่านก็ดีใช่ไหมทานกุศลไม่ต้องพูดถึงศีลกุศลไม่ต้องพูดถึงในขมมะโห้ยความ ยกกามาวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกก็ออกก็ง่ายอย่างเรานี่ขมแทบแย่มันก็ไม่ยอมหยุดนะไอคิดเรื่องการเนี่ยบอกอยากคิดนะมันก็คิดไอพยาบาทวิตกเนี่ยพอแล้วอย่าไปโกรธเขาเลยแอบโกรธอยู่เลยเนี่ยนะวิหิงสาวิตกก็ไปคิดเบียดเบียนคนอื่นแม้ถ้าคนนี้ไม่มีเราคงได้ดีกว่านี้หน่อยคิดอยู่เรื่อยว่าไอคนนี้มาจีไรัยแม้ทาให้เราแย่ทุกทีเลยนะเนี่ยไอวิตกที่มันเป็นการมวิตกทั้งหลายก็ประชุมในความคิดอยู่เนี่แหละเพราะอะไรรู้ไหมบรารมีเรามันสั่งสมมันน้อย ด้วยความที่บารมีสั่งสมมันน้อยคนเราก็เลยกลายเป็นว่าไอเรามันคนบุญน้อยพอโดมิ่นตัวเองอย่างนี้แล้วเพียรพยายามไหมหมดความเพียรในส่วนจริงกับก็อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเนี้ยก็อยู่อย่างคนต่ําต้อยเลืลําบากเลยลําดับนั้นท่านเศรษฐีมีความคิดบอกว่าเนี่ยเออพอพิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าพอมีรูปงามเมื่อพระโพธิสัตว์เล่นอยู่กับทารกเหล่านั้นในกลางบ้านเนี่ย เมื่อช้างเป็นต้นมาสนามที่เล่นก็เสียหายทารกก็ลําบากใจเมื่อเวลาถูกลมบ้างถูกแดดบ้างเป็นต้นวันหนึ่งเมื่อเขาเหล่านั้นกําลังเล่นอยู่เมฆก็ตั้งขึ้นเพราะบริษทัทเนี่ยนะที่มีกําลังเห็นไหมทําไมมีกําลังมากมีกําลังดุดช้างศารเนาะเพราะอะไ ร, รอ่ะมาจากกา ร, รอะไรมาจากกอะไรถึงมีกําลังมาก พวกเราทำไมเป็นคนมีกำลังน้อยอย่างนี้เขาเรียกคนกำลังน้อยเนี่ยจะยกอะไรก็โ๊ยจะนั่งก็โอ๊ยจะลุกก็โอยเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวเหยีกๆเหยีงอตัวสภาพจะเดินจะนั่งถ้าให้ยืนฟังธรรมกันสัก5าชั่วโมงสักชั่วโมงไปไม่เป็นแล้วเนี่ยแค่ยืนฟังธรรมบนมมือฟังอย่างเดียวก็ไม่ไม่เป็นแล้วพี่คนกำลังน้อยเหตุผลที่กาลังอ่อนแอกาลังน้อยเพราะไม่มีศีลข้อแรก คนที่เจริญกุศลกรรมคือศีลข้อแรกมากๆจะมีกําลังวังชามากเพราะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนเขาใช่ไหมไม่ประทุษร้ายชีวิตของเขาไม่เคยตัดรอนเส้นประสาทใครเลยอ่ะไม่เคยไปทบให้สัตว์เหล่านั้นต้องมีพิกลพิการและอ่อนแอเลยไม่ทําให้สัตว์เหล่านั้นได้ได้เกิดเสียกำลังกําลังมาเลยอกุศลอกุศลกรรมประเภทนี้ไม่เคยเบียดเบียนมาเลยฉะนั้นการที่ไม่เคยทําบาประเภทนี้มาเลยเนี่ย พอมาได้อัตภาพในการเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาทั้งหลายก็มากไปด้วยสภพกําลังกายเป็นคนที่มีกําลังวัองฉามากแล้วก็ว่องไวความคิดก็รวดเร็วนะทาไมพวกเราจึงคิดอะไรช้ารู้ไหมโอ้เรานี่ประเภทเคยตัดเส้นประสาทคนมาเยอะเนี่ยใช่ไหมทําให้คนคิดช้าเช่นไปหักขากบขาเขียดนี่เนะไปไปทุบปลาบ้างเนี่ยสัตว์นั้นก็งอเลยแต่เนะี่ยใช่ไหมเขากลัวไหมลนะ่ะ กลัลสติปัญญาก็มืดบอดหมดเราก็กลายเป็นคนขี้กลัวเลยเกิดมาชาติเนี้ยเป็นคนขี้กลัวบ้างเป็นคนตกใจง่ายบ้างเป็นคนหวาดสะดุ้งบ้างกลัวภัยบ้างไปที่ไหนก็ไม่กล้ากลัวถูกทำร้ายกลัวถูกทุบกลัวถูกตีไปนู่นแหละอกุศลกรรมเวลามันให้ผลก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยลักษณะถ้าเราดูเอ๊ะทำไมมีกําลังเราก็ไม่เชื่อทําไมคนมีกําลังกันอ่ะเนี้ตอนนี้เชื่ออัอยังว่ากําลังในลักษณะอย่างนี้มาจากอะไรไม่จากกุศล นี่กำลังดุดช้างสารเนี่ย